ที่ลูกเขาตายที่ผัวเขาตายนี่เป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์ความคิดแบบนี้ก็ช่วยให้เขาคลายจากความเศร้าโศกแล้วก็ลดความโกรธเกลียดเยียมบาตลงไปได้มากหลายคนก็ทําใจแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าที่ทําใจแบบนี้ได้ก็เยอะทีเดียวเรียกว่าเป็นลักษณะของชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้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 ยายสอนหลานให้หุงข้าวหุงข้าวสมัยก่อนไม่มีเตาไฟฟ้าหรอกก็ต้องหุงด้วยถ่านหลานนี่ข้าแล้วปรากฏว่ามันไหม้ขึ้นมาหลานก็เสียใจเป็นทุกข์ยายก็บอกว่าธรรมดาก็หุงข้าวด้วยไฟเนี่ยมันก็ต้องไหม้อันนี้มันธรรมดาวันต่อมา หลานก็หุงข้าวอีกเพราะว่าข้าวมันแฉะก็เสียใจยายก็บอกหลานว่าธรรมดาถ้าหุงข้าวด้วยน้ำเนี่ยมันก็ต้องแฉะในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าหุงข้าวนี่มันต้องใช้ทั้งน้ำทั้งไฟมันก็ต้องมีแฉบ้างไหม้บ้า ง, างยายซึ่ง่าลูกมามากก็เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าการหุงข้าวนี่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้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 ไม่คึนปาถนาแกเราเรารู้แล้วเข้าใจเราก็บอกว่าเป็นธรรมดาหรือบอกว่าเป็นเช่นนั้นเองัาต า, า, ตาลองใช้คาถาอย่างนี้ดูบ้างอย่าไปมองว่าอะไรเป็นปัญหาเส็มหมดนะสมัยนี้มันเป็นสมัยที่ทุกอย่างนี้ดูจะสมบูรณ์ไปเกือบหมดเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทำให้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 หรือว่าอาจจะมองอีกแง่นึงก็ได้ว่าเออที่หลวงพ่อชาท่านแนะว่าทุกอย we ่างนี uh> ่แหละมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเราวางใจไว้ผิดทุกอย่างมันถูกอยู่แล้วหมายถึงถูกตามหลักธรรมดาถูกตามหลักธรรมชาติคือธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าเหตุปัจจัยทําให้เป็นเช่นั้นเองอย่างมันถูกอยู่แล้วแต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจไว้ผิด นะไอ้ฝนตกอย่างนี้เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ใช่เพราะมันเป็นฤ ด, ดูฝนเท่านั้นแต่เพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้บางทีมันก็ตกกลางฤ ด, ดูหนาวก็มีแม้จะไม่ใช่ฤ ด, ดูของมันแต่ฝนตกกลางฤ ด, ดูหนาวก็ถูกของมันเพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนั้นอาจจะมีลมมาจากจากประเทศจีน หรือเพราะว่าดิงฟ้าอากาศแปรปรวนมันก็เลยฝนตกกลางฤดูหนาวก็ถูกของเขานที่ฝนตกแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าใจเราวางไม่ผิดอนนี้ลองปรับใจของเราให้วางให้ถูกตูวบ้างก็ไม่ทุกนะบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายง่ายเช่นยายคนหนึ่งแกเรียกคุณ ป, ป้าดีกว่าเวลาฝนตกก็ทุกข์เสียใจกังวลเพราะวันนึกถึงลูก พ่อลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพวกช่างปั้นช่างช่างทำเรื่องดินเผาเวลาฝนตกก็ไม่สามารถจะเอาหม้อเอาเอ า, เอาหายดินมาตากแดดได้นึกถึงลูกว่าฝนตกแล้วทำให้ลูกก็ลำบากก็เลยเป็นห่วงกังวลแต่เวลามันไม่มีฝนเลยมีแต่แดด ก, ก็เศร้าอีกเสียใจอีกเพราะว่าลูก คนนึงเขาเป็นชาวสวนมีแต่แดดไม่มีฝนเลยแล้วลูกที่เป็นชาวสวนจะทำอย่างไรก็เป็นนะว่าแกทุกทั้งปีอ่ะคนนี้ก็สงสารก็ไปทาให้แกปล่อยวางยังไงก็แกก็ปล่อยวางไม่ได้ก็เลยพาไปก็เลยพาให้ไปหาหลวงพ่อพ่อก็เลยบอกว่ามันจะยากอะไรโยมนะเวลา ฝนตกมาก็นึกถึงลูกที่ทําสวนใชเออฝนตกมาลูกที่ทําสวนก็ยิ้มแหละนะเวลาไม่มีฝนเวลามีแต่แดกก็นึกถึงลูกที่เขาทาที่เป็นช่างปั้นี่เขาก็จะได้เอาของมาตากได้คิดแบบนี้ก็พอแกนึกได้อย่างนี้เขาเออแ ก, กก็สบายใจนะทีนี้ฝนมาก็ยิ้มฝนไม่มามีแต่แดด ก, ก็ยิม้มคือมันเป็นพอใจเนืวางไว้ผิด ฝนตกดันไปนึกถึงลูกที่เป็นช่างฟัน้นเวลาไม่มีฝนแดนออกก็นึกถึงลูกที่เป็นคนสวนมันจะไม่ทุกได้ยังไงมันไม่ใช่เพราะดินฟ้ากากแต่เพราะใจเรานะวางไว้ผิดของทั้งหลายทั้งครัวนี่มันถูกอยู่แล้วนะมันถูกโดยเหตุโดยปัจจัยแม้แต่คนที่เข้าดินทาเราพอเห็นความดีของเราก็ถูกของเขา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 เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแบบนี้เอเราก็วางใจเป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเพราะความยึดดีติดดีของเราว่าปฏิบัติรมแล้วใจต้องสงบปฏิบัติรรมแล้วใจต้องเกิดเป็นกุศลขึ้นมาพอปฏิบัติทมแล้วเกิดความเครียดความกลัวขึ้นมาเอาแล้วคราวนี้ไม่พอใจแนละ้วแต่ก่อนไม่พอใจคนอื่น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 ก็พิจารณาแบบนี้ไว้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาทำงานทาการก็ทำให้เต็มที่อย่าไปคิดถึงผลมากอย่าไปคิดถึงความสำเร็จหรือคิดถึงความล้มเหลวมากมีเพื่อนเขาใช้เติเนี่ยเขาถือกตินี่ว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสาเร็จเป็นของฟ้าคือหน้าที่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์ก็คือทาให้เต็มที่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 ใจมันไปโพล่งกับความสําเร็จและความล้มเหลวยิ่งนึกว่ามันจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไม่อยากทํทาทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีอยืนนี้คนไม่กล้าทําความดีกันเพราะกลัวแล้วกลัวว่าทําแล้วคนจะไม่เห็นกลัวว่าทําแล้วจะไม่สําเร็จไปพะวงที่ผลอถ้าเป็นชาวพุทธเราเราไม่สนใจเรื่องผลเลยเราทําเหตุให้ดีพิจารณาว่าเหตุที่เราทํนนน า, ทาทนั้นมันดีไหมเจตนาที่เราทํานั้นมันดีไหมวิธีการที่เราทํามันดีไหมมันถูกทํำไหม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 ชีวิตเราก็อาจจะไปอีกทางหนึ่ง